รูปหนึ่งอยู่ชั้นล่างอีกรูปหนึ่งอยู่ชั้นบนรูปที่อยู่ชั้นบนนั่งอย่างแรงบนเตียงชนิดที่มีเท้าเสียบวงเล็บไม่มีลิ่มสลักเท้าเตียงตกโดนศีรษะรูปที่นั่งอยู่ชั้นล่างจนท่านร้องลั่นภิกษุทั้งหลายวิ่งเข้าไปหาแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าท่านท่านส่งเสียงทำไมภิกษุรูปที่นั่งอยู่ชั้นล่างจึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มากน้อย จึงตำหนีประนามโพลธนาว่าชไนพิภิกษุจึงนั่งอย่างแรงบนเตียงมีเท้าเสียบบนกุฏีชั้นลอยในวิหารของสงเล่าครั้นพิสูุทั้งหลายตำหนีภิกษุนั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ